พระธรรมเทศนาจารย์ดกเรืองนาเขาคำภูติห้าเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูเปลี่ยนทำพวกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหา้นะโม ต, าาตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ สเปปัลลยญโธทศกัณฐปารังสัมปาปูนิตาราจชังว um ันติปาอิตาเโบจุนตีสาโบดุราสปูริตาตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทาตั้งสัทถ h a เก้ากว่าเจ้าจุ้มอันมาสุมพอมนา จุงยูธาดาฟังดิญายังไปแล้วพระตนแก้วจิงเศานาวาสเปปาระโยธาดังนี้เป็นตนพีเวดูราพิโกตั้งลายอันเป็นสายอริญาเจ้าเจือโคดเงาทรงยานส่วนโยธาหารหาเทา กันไปรอดดาวสากอนผงย อ, อกอนน้อมไ้ซส่งเต่าไทยสมตัติราจาวา้าเดมหาราชาเจ้าข่าหนุ่มเทาตั้งลาย อันแวดยายเป็นตานําเจ้าฟ้าปามาตามอาญยาเต้าใหม่หากแต่งใจครับจำได้กะํากํำถอยมีบ่โน่นนาดาแก่ราชาเป็นเจ้าตั้งแต่เก้าถึงปลายขอเต้าภายแผ่พอดรถเวนตดวางตอย่าเป็นกคำบาปไรตัวตอบใสเบียนขี รพระภูมิสมบัตราชฟังโอกาสทุนสาแห่งเสนาหาทเทาจิงต้านเก่ากำไปวาดุราเสนาในเฮยมวนหมู อันแวดอยนำนากูนีนาแจ้งจอดบอมัดขอดเว้นกำรครอวางตั้มผงป่อยตดใหญ่น้อยดวงลายกูบ่หมายตอบใสเฮรอนร้ายเครื่องขีวบิบากกูมีจัดแล้วบ่อการแก้อามาจูฮเฮตอนกูนี่ใส่ไดรอนไม่เครื่องกา ดูราเซนาเฮยหาดเทาสูจุงฟังเฝ้ากระทำการตามเต้าหานตนใหม่หากแต่งใจจำมาบัตนี้แดดเตอที่นั่นเซนาลายหนุม่มเทาก่อมัดเจ้าราชาและนางผาญายอดซอยตั้งเจ้านอ น, อน้อยใส่ใจนำลงไปขังไว้ ในแปะใหญ่คนลำตามดังคำเต้าบาพาคนาบจำมาโพจนาใส่ไว้คุมได้เจ็ดวันหนอขุนทันนมเดาือว่าเจ้าเฮมากุมมันหันโยธาหันหาเท้ามัดป่อเต้าใสยใจใส่ไว้ในแปะใหญ่ รากแม่ไทยใส่ตาฮื้อไก่กาผักข้างอยู่แปาห่างคนดำเจ้าองค์คำร้องให้เหตุบ่ได้ไก่ปีตากับมานดาตนแม่ก่อพัดแผ่เวิ้นดินเรร้นกิ้งเกือกวาจุงแกเจือ ก, กูไว้ป้าแม่ใส่ใจเป็นเจ้ามาอยู่เฝ้าตนกู เอาบุญจูปอไทยมาอยู่ใกล้ต้นใจสู่ตั้งหลายกาหยาบคม ข, ขานาบนำนาเจ้าจะาจาให้ให้ใข่อ ย, ยู่ใกล้แม่เตวี นางพัตวดียอดซอยหันลูกน้อยใสยใจให้รำไรหลา่แหล่ดินผัดแพเรร่นเรียกหาตนจะใจนางร่อนไม่เหลือลายดาผ้าภ่ายตัวนาว่าสูอยาบจะทำป่าประกำอันใหญ่จักต้วไตแต้นสูเอาลูกกูมาไว้ในตีไกบัดเดียว สู่จุงเร็วรีบคาฮือกูความนาเร็วปันอยาฮือหันลูกเตา่าตุกโศกเศร้าไปนานนาัน่งนงคานรอไทยร้อนเอาไม่เหลือลายจักพันภายบอได้ตันมัดไว้นำนาดินไปมากิงเกือกเปือเือกฮอเจือเป๊พังซ้ำเจือกหนังเส้นไมบ่อขาดได้เหมือนใจ เลือดป้อไหลตกอยู่กอบอ่งหูเจ็บแกนตามแข่งแขนววากยังทกหลากเรืรอนใจนางวนฝันบาจาจมว่านาน า, นาว่ากำสังจามาถูกคือแม่ลูกไกลกันกำสังตันตอบทายดูรอนร้ายเดือดลายขอตนใจลูกน้อยจุงกาดกอยอันตราย อยาได้ตายมวยมังกางแม่กวางกงกาขอเทวาดามวลหมูอันตั้งอยู่กูพี่มันแปลงใจบ้านอยากจะช่วยลูกคาเร็วไว ข้าตายไปก็เล่วขอฮือลูกแก้วสัดสดีดุราสายสลีลูกเต้าแม่นตนเจ้าคำใจบ่ได้ตายมวยมาง ก, กางแม่กางกงกามีวญัญยาขึ้นใหญ่บุญหลังไลตัวทันได้นั่งหอจันภาพดาวจุงนำเตาอาทมตั้งเสนานำกาหยาบอันขานาเปล่ารา ใส่นาวาหลองน้ำเฮือเสียงซ้ำเมื่อม้อนขอสายผู้ทอนนอไทยจำเมียไว้เน้นนายนางชมชายยอดซอยบอกลูกน้อยลายพากานเลยนาส่วนพาดยาสมมาตัดตนป่อหันลูกน้อยนอเววาร้องเรียกหาบอกขาเต้าไม่มาดเหลือใจ น้ำตาลัลสะสู้ใจว่าบูเป็นควันจักภายพันไปไกลบ่อหอนใดดังหวังเหตุเจีอกหนังมัดขาดบ่อพุดขาดเพตาจริงบอกเสนาหนุ่มเทาอันแวดเฝ้ายายว่าจุงเรียวไวอย่าจะเอาลูกลากุูมาสันได้จ้าสู่เจ้าภาคลูกเตาไก่กู เอามาจูจิ่มคางฮือมวยมั่งจอมกันย่อนตัวมันอ่อนน้อยไปรู้ที่ถอยได้ได้เสนาไในใจหยาบก่อน้อมขาบทุนสารวาราจ้าองค์การเต้าใหม่หากแต่งใจจำมาฮือแต่งดาดังนี้ไว้คนตีคนลำแม่นบอตามกำเต้าไทย ข้าน้อยใหญ่ตั้งหลายเตียงจากตายจูผู้บ่ได้อยู่ไปนานพระผู้บ้านสมมตรตทุกไม่มาดนำนาได้แต่ตาและพอ ยังลกน้อยนอใส่ใจใค่กำไปตันเล่าว่าวิบากเก่าเรามีได้ราวีคำคาสัตว์ลุ่มป่านานาเฮอไก่กามวยมางปัดผผาค้างเสียกัน ก<ค>ำ mm. มาตันตอบสายเหือร้อนไรเดือนลายคอคำใจลูกเตาอดโศกเศร้าโศกกาอดเตอนาลูกน้อยยาริรำ้อยหลอันใจพ่อตันเอาไมาย่ย้อนเจ้าหนอไทยเววาตุกเวตานาะทางตองใ น, นแห่งห้องหอระไทยเจ้าห่อใจสมมตตราด ร้อนไม่มาเลือนยหลวดดักได้บ่ปากัยแต่หากเววนก็มีฮันและนาอาถาในกาละนั้นเสนาหันบวนมูอันแวดอยู่ใหญ่ๆก็เรียวไว้ฝั่งเฝ้าอยู่แปะ่าราชาไหลกงกากอนา แล้วอยู่แปปนังนอลาเตวีผู้เครื่องเขียรำร้องไหลลองต้องตัยไปอยู่แป่สายใจนอเนาไหลแตเต้าตัยหลังแปเฟือนดังอาอาจสายนำเปิดต่อจน ลมปบนทางตองแปดไหลล่องเร็วไว้เสนาหนหาเท้าหันสามเต้าไ ห, ห, าา ห, าาหลลอยไก่อจวอ ย, อยขอกฟ้ากอป อ, อกหน้าขึ้นมาแลอทุนสาขับไวส่งเต้าใหม่อาทำไข ย, ยังกำบอกเล่าเฮหูก้าวตำมีก็มีหันแลยนา้า เตจะนาส่วนสามเต้าป่อแม่ลูกโศกทุกทุกท่านัดใจแปะป้าไหลว่าบ่งไปตามต้องวังทานสายลมปานป้ากว่า บึดหนึ่งจ่าบิดไว้ตัวกันไปบ่อขาดบ่อก้อยขาดสายตาร้องเอื้นจากเก่าทอยได้ยินก้อยว้อยน้ำเป็นฝอยปุงเปือกแฝงเหย้าเหยือกไวคอน หนอผู้ทนตีไว้ร่องรำให้เดือดรายแต่ยำง่ายเบื่อเจ้าทาราบต่อเต้ายำวันเสียงโบนั้นแหงแหบคอห่อนแศบเครื่องกายเสียงดักขายเตือน้อยบึดหนึ่งก้อยดังมานังพานาผู้แม่สั้นตาแหรเล้งแผล่พอยังแปรผัวเต้าไหลหลงดาวไปไก ตามวังใส่ป้ายนาแล้วเรีวยว่วาขึ้นมาเล็งพ่อหาลูกเตา้าอันไหลมาเล่าจอมลังยังหูฟังลูกร้องเป็นดังกองดังมาว่าคอมันดาแม่เจ้ารอลูกเตาบาดเดียวอย่าไปเร็วนักกว่าคออยู่ท่าบุตธานังพญานันงทีดังกองมีเป็นกรรม ตุกนานำลายลากตีแต่หากหูฟังนางกึดวังบอกขาดไข้ฮือลูกรักราตัวตันสองมือพันตินอยู่แปบอ่อยู่เหมือนใจยังลอยไหลว่าว่องไปตามต้องสากรส่วนพระผู้ทอนเต้าไทยก็เอาไม่เหลือใจย้อนแปไหลไปก่อนบอกย่อนรอรา ไก่จอยาอายอดซอยไก่ลูกน้อยสายเมืองเต้าขี้เคืองหลยแหล่ดินพัดแทรเรร้นเปหือต้อนได้ผากรุดหลุดจากสายหนังเหื่อไหลปังย่อยยาเจือกบ่อขาดดังใจแพ่ยังไหลบ่อจ้าไปก่อนนาเจ้าจุมขอมีหันแลยนะ ตาตาในกาละนั้นไสแม่นยามไกลลงแรงตาวันแดงย้อนหอยดากาดก็้อยหายตาบดมืดมาจุตีบ่อแจ้งทีหันหุนเบกไปบนบดมืดเสียงอืดอื้อายบุญฤหยนย้าวตกอยู่ดาวกงกาดังเตวดาแม่กว้างตกแต่งสร้างป้าเป็น บดหนาวยินตั่วห้องฝ้าลันร้องนำนาฝนตกมาลาลั่งนำทุทังเดี๋ยวไว้แปรเฟือนไว้ว่าวาดสายฟ้าฝาดเนื่องนั้นแปรพัดพันปันกว้างกลางแม่กว้างสากอนสามผู้ทอนหยดยาวปัดผากดาวไกลกันพอบหั่นบว่าไฟอยู่แดนใด ต่างคนไปต่างตีบอแจ้งทีหันหน ล, ลมแกมฝนบอ่อเหือดน้ำเต้นเดือดสาสารแม่นจักขานกุร้องบอร้องกองคนฟังว่าห้องดังคาคืนสานันปื้นวังทานสามผู้บ้านเจ้าฟ้าลวดผากน้าเสียกันมืดตึบตันไข่ห้อง บอแจ้งส่งหนได้เป่าปล่อยตามใจแปรกว่าบอหัวไปได้ก็มีหันแลยนาธรมทังประกาศเสโตัศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบัดทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสะนาวาตาโยขัดติญญาวิสิงกันตวาดังนี้เป็นตนพิกข้าเวดูราพิดกู้ทรงตนทรงสินใสบอส่อเศร้าเชือกดเงาอริญเตขัดติญญาอันว่าขาสัตสามพ่อแม่ลูกทุกต้องถูกเกลือใจแปรไหลไ ว, ว้วาว่องไปตามต้องกงกา มือตันตาจูตีบอ่อแจ้งทีหันหนล้มแรงจนทีบตั้งฝนซำลังลงมานำกงกาปันบาปัดแต่กว่าไหลกันบอ่ออาจหันและหูว่าแม่ลูกอยู่แดนใดแป้ไหลไว้ละลาดสายฝ้า ฟ, า, ฟ, า, ฟาดนั้นเนื่องสสยบุญเรื่องยศใหญ่เปี้ยเสียงไข่ทั้งคิง ใจาขาดนิงว่างคองปากเอิญห้องหากกันเจ้าจอมท่านสมบัตตราดก็เกิดขวาดขาดนิงด้งในถึงใส่ใจลูกน้อยและนังหยดซอยเตวีว่ดดับอินทีมวยมางกลางแม่กวางกงกาหรือลมป้าปัดหวาดไปถึงหาดดอนทรายปนตั้งไตมวยหมอดสุดเสียงขอดเว้นไพ เจ้าหอใจเอิญร้องว่านางนาดน้องเตวี TV, และสายสลีลูกลาไหลล่องว่าไป ái, ได้บ่มีไผ่ตอบทอยจักเอิญก้อยรือดังเงียงหูฟังก็แล้วเสียงลูกแกว้วสายเมืองเสียงนางบุญเรื่องนาดไท ái, บ่อาจได้ยินมาเท้าเววา่าไม่เดือดบ่เหือดเบาบาง ส่วนตัวนางนัง ด, ดน้อยคือนางยอดซอยเตวีเป็นตุกขีหลายแลใจพัดแผ่เววาส่วนสามิกาขินคากับลูกลาใจเดียว ตกกลางเป๋ยอนำกวางลวดมวยมั่งหายหลนหรือยังเป็นคนทั้งกูบัดนี่อยู่แดนใดตกแดนไก่หรือไก่นางนาไทยปริเตวนาร้องเรียกหาจ้องจ้องเสียงตอบทองบอมีมานางพญายอดใหญ่เน็ตดาวไวาตั้งกิ้งจักต้วงติ้งยินยากตกหลายลากทมทอง น้ำตาน้องแต่เจ้าทาราบต่อเต้าร้อยทีกำเครื่องขีบบ่อเหือดร้อนไม่เดือดเดือดไหลนั่งชมชัยยดเงาลวสยกเต้าตายไปเปปลาไหลว่าว่องไปตามต้องกอง ก, าก้ากกมีหันเลยนะ โซปานาเฮมกุมมาโรส่วนเฮมกุมมานอ่อนน้อยนอพระยยอดซอยโปที่านสายลมปานทางตองแปไหลลงไปปันพ่อบ่หันพ่อแม่ว่าอยู่แก่แดนได้ดมืดเหลือใจจูดานฝ้าสะตานดันเนื้องแสงไรเรื่องบ่ขาดผลตกหยาดลงมา น้ำกงกะปุงเปือกแปรเหย้าเหยือกไวคอนหนอผู้ทอนยดใหญ่เปียจุม่มไข่ตั้งตัวเจ้านินกัวหลายแลร้องหาแม่ไวว้อ ย, อยแปรหลายลอยละลังบอหยุดยัง่งรอราลมแรงป้าทั้งทีแปรหล่รีบเียวฟันเจ้าจอมขันหนอน้อยอยิดอ่อนม้อยตั้งคิง บ่อต้วงติงพัดแผ่ร้องแต่แม่แม่กำเดียวล้มบ่อเตียวลอต้องตกถูกต้องเลือนลายหลวดฉันยกไตมวยมางกางแม่กว้างบังวนบ่อหันตนป่อเจ้าและแม่น่อนเอาใส่ใจแปรป้าไหลลอยหลงไปตามจ่องกองล้มก่อมีหันและน้า ที่นี่จากวันนานาจะเล่าถึงคุณเท่าอาธรรมและเจ้าหอคำเต้าใหม่อันถวยไรป้าลากันหืออย่ยอทาหาเท้านำปีเต้าบุญมีและนางเตวียอดซอยลูกอ่อนน้อยใสยใจใส่แปปไปไหลลอยล่องไปตามต้องกงกา ดังเก่าวมาเบียนแล้วเขาก็พ่องแผวยินดีว่าบัดนี้เมืองปุรีกว้างใหญ่ตกลุ่มไต้เราราเขาก็ดาปอยใหญ่เอาข่อนให้กองใจเสียงดังไปตาตุ้มตั้งแต่คุ้มวังหลวงคนปันปวงเท่าเท่าหูแจ้งเข่าเรียวปันพ้องใจมันจินสู พงดักอยู่นิมเศร้าโศกมองเงาบ่เหือดร้อนไม่เดือดไปไหนย้อนอะไรบ่แล้วยังเตาต้นแก้วองออนเจ้านาคอนถั่วนาตุกโซกามีลายส่วนยิ่งใจน้อยใหญ่อันหุ่มไฟเลื่งปอยหุ่มพ่อก้อยแอวเล่นบ่แวเวนยังมี ้าปุรีส่วนน้อยใจจินจ้อยใจบ้านฟังเสียงสารป่าร้องย่อคอซ่องดาไฟส่วนเสนาในหาดเทาบ่ทากกาวจะตึงเขาบ่เคึงต่ำก้อยเหตุใจถอยป่าลเขาส ม, มนัสสาจุผู้โหอร้องอยู่เนื่องนั้น กันถึงวัน้าไข่คนน้อยใหญ่ใจหุมก่อไปซุ้มเพราะมูมวนเล่นอยู่ตามมีเจ้าปูรีหนุ่มเทาอันบอกเข้าตั้งดำมีนานำลายแลเขาบ่อแวไปกายเหมือนปล่อยวายคำลาเหมือนมิ้นกำพ้าลงก้อนกอมีฮันแหลนา กันเจ็ดวันครบไข่คุณถอยไรปาลาพร้อมโยธาอามาตพาจาราดคนในอันมีใจจืนสู่ไหลหลังลูจอมเขาก็นำเอานางนาหลักขณะอดโสภ้าลูกคุณน่าใจถอยจื้อนั่งยอดซอยสุนทารีมาเป็นเตวีรวมคัง แห่งเจ้าจ้างหอใจสมดังใจคุณใหญ่หากึดไว้เหมือนมากันอุตสาพิเศกอาทิเรกตุน้นขวัญมวนงานกันเสียงขาเต้าห่าวหาดปลาละก่องผ้าจามวนหมูปอกตีอยู่ไฟมันกอบีหันและนะ ส่วนัน้นตีโยส่วนนั้นตีนยะคุณถอยสมไฟหอยมาโนไหนคือใส่ใจลูกลางามเงินฟ้าจื่อสุนทารีได้เป็นเตวีรวมข้างแห่งเจ้าจัางหอใจมันมีใจจืนยาวย้อนได้เต้าเป็นเคยเบือนฝนเจยนาแรง ยาเหี่ยวแห้งขึ้นมาคุณปาลานยศใหญ่แอวอู้ไข่ตั้งเพืองหน้าบานเรื่องคำเจ้าบอกบนเศร้าเครื่องขีดโจนไยมีหลายหลากอันมันหากนำตั้งก่อสว่างป่งป่อยบอกพวกน้อยโยธาอันปาลาถอยไรลักเื่องใจเงินคำ มีนานำแต่ก่อนฮยังย่อนวางลาจุมเสนาบ้างหมู่ก็ตั้งอยู่ตามคำบ่ออาธรรมอย่าปรายบ่อต้องภายบินฟีหือเจ้าปุรีไผ่ไตใดร่อนไมเรร่นสวนรีผลบ้างหมู่ใจข้องอยู่ตั้งจูนบ่อถอยหุนหลีกเวน เตียวตามเส้นเดิมอ่อนแอลลักหลอนเป็ดไก่ตั้งเครื่องใจนาณาจนปาลาลห้าวหาดบ่อเสียงขาดเสียเมืองไพ่ ย, ยังเครื่องเป็นบอลบ่อเมือนก่อนเบิ่งปาลาคงปลาราเต้าไม่บ่อสุกไหเสมอกันเสียงหรือนั้นลักกาส เสียงหลือนั้นซาเศว้ามีไข่ดาวปุรีว่าพระผู้มีเต้าใหมก่กำคุณใหญ่อาธรรมมีใจดำมืดเศร้ายับปีเจ้าราชาแลจัญญาหยอดซอยตั้งลูกน้อยใสใจ ใส่แปะไหลลอยล่องไปตามต้องกงคาแล้วเป็นพานาแต้นแต้นหากบ่อแม่นโบราณจนไัมารไลยแลเกิดไข้แพ้เวียงใจย้อนขุนจังไรยดใหญ่ตกแต่งใจปามีเจ้าปุรีน้อยใหญ่หูแจ้งไข้ยิงใจเขาตั้งหลายหนุ่มเทาหมองมนเศร้าเงาใน ว่าแต่นี่ไปปไปนาจุ่มไผ่ฟ้าเจ้าเมืองเตียงได้เครื่องกังแกนตุกทางแนนมองผ่านจักสุขบ้านเหมือนก่อนพ่อบอ่อนหันมีเหตุเจ้ า, าปุรียศใหญ่ใจบับใบอาธรรมตามัวดำมืดบอดบอแจ้งสอดตั้งบุญส่วนว่าคุนผู้เท่าอันเป็นเก้ารีปล แม่นเป็นโจนยศใหญ่ใจบาบใบ ป, ป่าลาเตียงจากป้าเมืองกวางหื้อห่างร่างบำบายคนยิงใจมวลหมู่กึดใจอยู่ตั้งวันลวดป้ากันสะตา้านไขจูดานเวียงใจก็มีหันและนา ทีนี่จากวันนาจะรอถึงเจ้ายอดเหมากุมารตกวังท่านหยานกว่างดวัดมวยมังเมื่อมอนกางสากอนแม่ใหญ่ดังกะวัยห่นลังดีใหญ่ยั้งไปแล้วพระตนแก้วจริงเทศนา ว่าอาทาโคเตวานาบินตัดสาปันดูกัมปลาสิลาสานังดังนี้เป็นตนพิ่ง้าวดุราปีกูตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาติเจ้อนักพาธรงยานอันว่าเหมกุ ม, มาร น, นอไทยตุกมัดไม่เลือลายสัญยตายมวยมงัง ขางแม่กวางกงกาญาตาและวีเมื่อใดดังอันตาตาในกาละนั้นไซบุญเจ้าไหลตวยตันอันว่าหินปันดูกำปาราศีละอาด อันเป็นติปะาาดอินตาปะกาติมาแต่ก่อนเตียนย่อมอ่อนสุขุมานก่อบันดาลขาดางห้อนแข่งข้างเรียวปันคุณซาวันตนวีเศษหูแจ้งเหตุบัดเดียว ก่อร <c oughs> e e si ีเปรียบอกจะหล็งพอนาจุมปูหันนอซับปัญญูน้อยหนาชีวิตขาดเมื่อมนกลางสะกอแม่ใหญ่หันดอไทยเทวีดับอินทีมวยหมอดหันเต้ายอดสมมาตัดราจดามารณากร่อยกาดชีวิตขาดกลางหันตั้งสามคนยศเงาตกต่างดาวไกลกัน ย้อนลมพันทิบตองแปรไหลล่องคนไป้ายไก่กันลายบ่โหดลายสิบโยดกันนาขุนอินตาหูแล้วก็กาดแก้ออกมาปัน่นจากสวรรค์ฝากฝ้าลงสู่นาวังทานแล้วบรรดานรีบหาหือแป้เต่าราจาแป้นางภาญานย้นยอโซย ไปเจ้าหน่อหน่อยบุญนำตั้งสามลำไปรอถึงตีจอดอนทิ้งถึงตีจอดดอนซ้ายห่างกันลายใจจ้าตามสื่อหน้าภัมันคือเจือกปันบาดขาดลุดหลุดขาดบัดเรีวแล้วรีบเร็วไปไกลนางนอไทยเตยวีเอาน้ำตนกันตีบิเศษมาจากเขตเมืองบน ฮดหลอตนนังนาฏอันก้อยกาดบำบายเฮือพันภายปีกฟื้นหูคิงตื่นขึ้นมาแลอกไกลกาบอจ้าไปหาเจ้านอลากุมมานเอาน้ำเจียงคานหดหลอยังเจ้านอบุญภายอันบำบายก้อยกาดชีวิตขาดเสียตนหฮือเป็นคนดังเก่าหูคิงเล่าเร็วไว เหม่นคนใดไขหูมาเก่าอุปชาว่าคุณอินต า, nh nh าหยดเงาเฮือแปะเต้าสามลำไปต่อตำจอดยังถึงรอดฝั่งดอนายห่างกันลายใจจ้าตามสือนาไฟมันสัง่งตัดบันรีดมางหฮืออยู่ห àng, ่างไกลกันเป็นสันใด้นั่นเราเป็นเต้าเป็นเจ้าอินตา บ่อเอามาหอมอยู่ฮือได้อยู่จอมกันนันจ้าผู้จักจ่าเก่าแก่ฮือแจ้งแน่หันไส่ก่อกวนไขตานเก่าว่าสามเต้าผู้ทอนบิบากอ้นปางก่อนมาไหลตอนต่อตำบ่อเสียงกคำสุดยอดบ่อเสียงขอดเวีนไผ่ ยังจะกไกผักขางปัดกันห่างเมื่อนานกรรมสามานเสียงแล้วจักกาดแก้วขึ้นมาอยู่ตีข้าจูผูพร้อมน่าอยู่จอมกันขุนสวรรค์ตนวิเศษหูแจ้งเหตุเดมอ่อนจิงหื้อซ้ำผู้ทอนหยดยาว จอต่างดาวไกลกันตามภัยมันได้สร้างบ่ออาจมัง่งเพตาคุณอินตาเจ้าฟ้าลงสู่นาเบืองคนการกิจนจะตนเมียนแล้วก็อากาศแก้วเร็วพันขึ้นสวรรค์ฝากฝ้าบ่อได้จ่าบัดเดียวก็มีวันนั้นเลยนะ เนธตังข um um ี้าสังวันนาวิเศษจ่าห้องเหตุนาเข่าคำผูกทวนหายังเดินจ่าเหยาลายจักถึงปายสุดยอดคอนยังจอดเป็นข้าวแม่นจ่าเยานักกว่าตั้นจักวาจ่าลายพ่องหัวควายมัดไว้อย bueno ู่กลางให้กลางสวน ของปอจชวนเจ้าหมูปอขึ้นสู่แกหาจริงจักจากเตา อ, อี้เออตานี้หากวางลงก่อบังกมสมร็จเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล